11. การฝึกภาวนาทางอายตนะหการฝึกทางอายตนะหนี้มันเหมาะกับคนที่มีปัญญากล้ามากๆมันอยู่ในธรรมานุปัสนาการปฏิบัติโดยอายตนะหนี้เมื่อตาเห็นรูปก็มีสติรู้รูปรู้ตารู้การเห็นรู้สังโยชน์รู้กิเลสที่เกิดตามหลังมามีงานเยอะนะเมื่อหูได้ยินเสียงก็รู้ประสาทหูรู้เสียงรู้การได้ยินรู้กิเลสที่เกิดตามหลังการได้ยิน เ <S an> มื่อได้รสก็รู้ลิ้นรู้ประสาทลิ้นรู้รสรู้การกระทบสัมผัสรู้ความรู้สึกที่กระทบสัมผัสรสรู้กิเลสที่เกิดตามมาสังเกตไม่ว่ามันมีตัวร่วมอยู่ตัวหนึ่งคือรู้กิเลสที่เกิดตามมาฉะนั้นในธรรมานุปัสสนาอาญตนะบัพไม่ได้จบลงที่การเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการได้รสนะถ้าเมื่อใดเราจงใจกาหนดลงไปที่การเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการได้รส จะไม่มีการทำงานอะไรต่อไปจิตจะทื่อๆนิ่งๆแท้จริงแล้วจิตที่ไปรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นวิบากจิตไม่มีดีมีชั่วอะไรไม่มีสุขมีทุกข์อะไรเฉยๆดังนั้นพอเราไปดูแต่ทางอายัตนะพวกนี้เราจะเห็นว่าจิตเฉยๆตลอดเวลาเลยจะทื่อๆนิ่งๆอยู่อย่างนั้นในที่สุดก็ติดความนิ่งความทื่อ กิเลสเหมือนไม่เกิดขึ้นแต่ความจริงโ ม, มหะเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วจิตซึมซมทื่อๆไปเรียบร้อยแล้วจิตที่ซึมๆทื่อๆเป็นอากุโสรจิตในหนังสือทางเอกที่หลวงพ่อเขียนไว้มีเรื่องของพระองค์หนึ่งชื่อพระโปธีระพระเบาลานเปล่าให้ไปอ่านเอานะคือเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วมันส่งสัญ ญ, ญาณมาที่ใจ ให้รู้ความเปลี่ยนแปลงที่ใจไปเหมือนที่เนนพระอาหารหันสอนพระโปธิีละว่าถ้ากระทบอารมณ์ทางทวารทั้งหกแล้วให้ตั้งกรรมาฐานขึ้นมาทางมโนทวารทางใจเพราะชวันจิตเกิดขึ้นที่มโนทวารกุศลอกุศลสุขทุกข์เกิดขึ้นที่นี่ให้คอยรู้ทันตรงนี้อย่ามัวเอาแต่ตั้งอยู่ที่ตาอยู่ที่หูนะเพราะตั้งอยู่ที่นั่นจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะทื่อเรียกว่าเราเรียนอายตนะบัพพ์ไม่ครบนะ ในอายะตนาบัพะที่พระพุทธเจ้าสอนท่านสอนถึงตาถึ ง, ended, ถงรูปถึงการรับรู้การกระทบคือถึงจิตที่เกิดทางตาแล้วก็ถึงก er ิเลสที่เกิดตามมาถ้าเราไปจ้องใส่จิตที่เกิดทางตามันคือการเพ่งจิตถ้าเราไปจ้องประสาตตามันคือการเพ่งรูปถ้าไปจ้องอยู่ที่รูปที่จิตที่ไปรู้เข้าที่ตาเห็นเข้าก็คือการเพ่งรูปการเพ่งตัวรูปตัวนามนี้เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเป็นการเพ่งตัวอารมณ์ ได้สมถะนะดังนั้นคนที่ฝึกไล่จี้ทางอายตนะจำนวนมากเกิดสมถะโดยไม่รู้สึกตัวนึกว่าทำวิปัสสนาอยู่มีใจนิ่งๆิ่งทื่อๆ อ, อยู่อย่างนั้นเหมือนหมดกิเลสนะ